ถามว่าผู้ที่ไม่รอบรู้แบบนี้เนี่ย น, น่าสงสารไหมผู้ที่ไม่รอบรู้แบบนี้เรียกว่าสัตว์แน่นอนผู้ที่ไม่รอบรู้ก็ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ถือว่าสัตว์ผู้ที่ยึดถือแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ก็เลยปรารบความเพียรเพื่อให้เหล่าสัตว์ได้รับประโยชน์พระองค์เนี่ยแยกแยะในความไม่มีสัตว์บุคคลแล้วละ่ะแต่พระองค์ก็มนานัศกาลโดยความเป็นสัตว์ เพราะอะไรเพราะการุณามีอะไรเป็นอารมณ์มีทุกขิจสัตว์เป็นอารมณ์พระองค์ก็มานัติการโดยบัญญัติเพื่อที่จะสงเคราะห์เขาไม่ใช่ว่าโอ้แยกแยะมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพ่อไม่สบายก็เลยไม่สนใจเลยก็มีแต่ขันห้าอา้าวขันห้าว่างเปล่าดีไหมอา้าวก็ขันห้ามันว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลมันถ้าใครไม่สบายก็ไม่ต้องไปสนใจก็รูปมันไม่เที่ยงอ่ะเธอจะไปทําอะไรมันใช่ไหม ไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นหรอกเพราะนั้นผู้ที่รอบรู้อย่างแท้จริงนี่ก็ทําเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ไม่ใช่ว่าโหยเห็นว่างจากสัตว์ก็เลยอย่างที่เขาบอกว่าเห็นคนไม่ใช่คนเสร็จแล้วก็ขูดรีดจากคนเขาบอกงั้นแปลว่าอะไรนี่ก็เหมือนกันเห็นคนไม่ใช่คนก็ออกเห็นเป็นอะไรหมดแล้วเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนเพราะฉะนั้นขูดรีดจากตรงนั้นเนี่ได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีน้ำจระน้ำอะไรเรียกว่าน้ํากรุณาไม่ต้องมี อย่างมันจะขูรีดเท่าไร่ก็ทําได้ทั้งหมดอย่างที่ตัวเองอยากได้ก็เพราะมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนมันทําอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการในในทางศาสนาเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นความว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลจริงแต่ก็ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะนะเพราะว่าโดยโวหารโดยสมัญญาก็เรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยนะคนและสัตว์เป็นที่ตั้งแห่งกรุณาแต่ถ้าหากว่าทุก หรือว่างจากสัตว์ก็เห็นแต่ความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเนี่ยนะท่านปัญญากับความเพียร น, นี่มันต่างกันตรงนี้ผู้ที่มีปัญญาคือแยกแยะได้ทั้งหมดแต่ก็ทำความเพียรเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์และความสุขเนี่ยนะอย่างสมมติว่าความเจ็บปวดเนี่ยนะมีใครเป็นตัวเจ็บปวดอยู่ในตัวเจ็บปวดไหมมีสัตว์อยู่ในความเจ็บปวดบ้างไหมแต่คนที่เจ็บปวดน่าสงสารไหม นั่นแหละทนก็เลยปรารบความเพียรเพื่อจะช่วยให้คนหายปวดเป็นต้นด้วยความเพียรต่อไปกล่าวถึงอุเบกขานิมิตปัญญานี่เป็นอุเบกขานิมิตใช่ไหมวิริยะเป็นปักขะนิมิตอุเบกขาก็คือตัวปัญญาเนี่ยนะถ้าอนุภาพของปัญญานะจะไม่ไม่ตกอยู่ในอภิชากับตกอยู่ในโทมนะแต่จะตกอยู่ในปานกลางนะส่วนถามว่า เมื่ออุเบกขาและเฉยเลยไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมตรงันข้ามยิ่งรอบรู้ไม่ตกไปในอภิชาและโทมานต์ภาคเพียรพยายามยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ประคับประคองปัญญานั้นให้เป็นไปอย่ญญางต่อเนื่องอย่าลืมว่าวิริยะนั้นเป็นกองหนุนใช่ไหมปัญญานี่เป็นกองหน้าวิริยะเป็นกองหนุนหนุนให้ปัญญาเนี่ยิ่มยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไป เหตุผลที่กล่าววิริยะต่อจากปัญญาอีกอันหนึ่งก็เพราะคร้ควรวญเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำความเพียนใข้ครควนเสียก่อนแล้วค่อยทำถ้าเราทำก่อนแล้วค่อยคิดเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเดินทางไปก่อนเนะ้ไม่รู้จะไปไหนเป็นกงนะไม่คิดเอเรามาไปไหนเนี่ยอย่างเงี้ยนะไปก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังอย่างเงี้ยนะหรือทำอะไรซะก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังเนี่ยนะ ดีไหมไม่ดีใช่ไหมพันปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อใคร่ครวนเสียก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติแล้วค่อยลงมือกระทําเพราะนั้นการใครครวญเสียก่อนแล้วค่อยปรารบความเพียรเขาบอกว่านิสัมมะการนางเสยโยใครครวญเสียก่อนแล้วค่อยทําดีกว่าเพราะถ้าทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ใคร่ครวนเอาลองพูดแบบไม่คิดดูสิเอ้าพูดอย่างอย่างที่ตัวเองอยากก็พูดที่สุดเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พูดพูดเสร็จแล้วพูดอยู่สักสามชั่วโมงด้วยกัน อะไรจะเกิดขึ้นบงเรื่องถูกฟ้องเลยเนาะนั่นนะท่านจึงใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยพูดค่อยคิดค่อยทำค่อยอะไรทุกอย่างเนี่ยนะทีนี้เหตุผลหนึ่งที่กล่าวความเพียรต่อจากปัญญาก็คือเพราะความเพียรของผู้ใคร่ครวญทำย่อมนํามาซึ่งผลวิเศษหมายค่ะว่าการทําแบบมีเป้าหมายการทําแบบมีแผนผลออกมาก็ต่างจากไม่มีแผนนะนะ นนั้คนที่ใครครวนอย่างรอบครอบพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอย่างเช่นคนให้ทานเนี่ยนะให้ทานแบบใครครวนเบ็ดเสร็จหมดแล้วค่อยให้กลับให้ไปสปะเลยนะซานเหนือเพราะงั้นแปล ว, ว่าให้ไปเรื่อยๆไม่รู้ทําไปเรื่อยๆทำไปเหมือนเบี้ยวหัวแตกกัเลยไม่รู้ทําเป็นชิ้นเป็นอันซากอย่างเลยนะก็เลยไม่ได้ปลื้มอย่างที่ตัวเองต้องการนั้นการใครครวนเสียก่อนแนละ้วค่อยทํานั้นจึงมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากเพราะอย่าลืมว่าขยันเพียรที่นี้ ความภาคเพียในเพียรทําอะไรก็เพียให้ทานเพียรักษาศีลเพียรเจริญเนฆขมมะเพียรอบรมปัญญาเพียรเจริญคุณธรรมทั้งหลายนั่นแหละพราะการใคไขครัวเสียก่อนแล้วค่อยค่อยประกอบความเพียรนั้นจึงนํามาซึ่งผลวิเศษอันนี้เหตุผลที่กล่าวความเพียรต่อจากปัญญาทีนี้ต่อไปทําไมจึงแสดงความอดทนต่อจากความเพียรแสดงขันติบารมีต่อจากวิริยะบารมีก็เพราะว่า ความสำเร็จแห่งความอดกลั้นก็ด้วยความเพียรจริงอยู่คนมีความเพียรย่อมครอบงำทุกที่สัตว์และสังขารนำเข้าไปเพราะปรารบความเพียรแล้วที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องวัดอย่างหนึ่งของคนที่มีความเพียรคืออะไรคือความอดทนนิสัยของคนที่มีความกล้ามีความภาพเพียรพยายามเนี่ยนะเขาจะมีความอดทนมันจะเจออุปสรรคได้รับความทุกข์จากสัตว์หรือจากสังขาร ก็ก็อดทนต่อไปได้เพราะสัรชาติแห่งคนที่มีความภาคเพียรพยายามมันความสาเร็จของของความอดกลั้นก็ด้วยความเพียรมันผู้ที่มีความเพียรก็ดูจากความอดทนเพราะอะไรเขาบอกว่าคำว่าสัตว์เนี่ยแปลว่าอะไรความทุกข์ที่เกิดจากสัตว์เนี่ยนะก็คืออุปสรรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในการเจริญกุศลธรรมใช่หอย่างโดยเฉพาะ เจริญกรรมฐานอบรมส ม, มถวิปัสนาเนี่ยนะยุงก็กัดแมลงก็กวนเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าถูกสัตว์รบกวนถ้าสังขารรบกวนนะร้อนเกินไปหนาวเกินไปเย็นเกินไปหิวเกินไปปวดเมื่อยอะไรพวกนี้เป็นต้นเรียกว่าสังขารดินฟ้าอากาศไม่รู้เห็นเป็นใจเลยมันก็เลยเรียกว่าประกอบความเพียรด้วยความอดทนไม่ว่าจะได้รับความทุกข์มาจากสัตว์หรือสังขารก็ตาม เหตุผลต่อไปที่แสดงขันติต่อจากวิริยะก็คือเพราะความเพียรเป็นอลังการของความอดกลั้นอลังการนี้แปลว่าเครื่องประดับเครื่องตกแต่งนะเครื่องอลังการก็คือเครื่องประดับประดาตกแต่งจริงอยู่ความอดกลั้นของผู้มีความเพียรย่อมงดงามเรียกว่าเอาไงนะทําไปบนไปทําจริงอ่ะแต่ว่าบนเลือเกินเนี่ยนะไปอย่างนี้เค่ว่าว่าอะไรนะช่วยจริงอ่ะแต่ช่วยไปบนไปบนบ น, บนอยู่นั่นแหละ กับทำแบบไม่บน่นไม่ปรีปากไม่อะไรทําด้วยความใจยินอดทนถามว่าสองอย่างนี้ใครงามกว่ากันช่วยเหมือนกันแต่ช่วยแบบบ่นเต็มทีแหละนะช่วยแบบคนไม่เต็มใจทําแบบแม้อิดเอือนมีข้อแม้สรารพัดอย่างแต่ก็ช่วยนะแต่ก็มีอเหตุผลเยอะแยะไปหมดเลยน่ารําคาญจะตายอย่างเงนะี้ยกับแบบอดทนเป็นต้นเนี่ยนะก็ต่างกันใช่ไหมพนคนที่มีความอดทนคนที่ ภาคเพียรพยายามแล้วมีความอดทนเนี่ยเธอว่างดงามเรียว่าย่อมเป็นความงามเรียว่าดูแล้วงามกล่าวถึงปัจจารณิมิตแล้วจึงกล่าวถึงสมถานิมิตวิริยะนี้เป็นปัจจารณิมิตเครื่องหมายแห่งความภาคเพียรพยายามส่วนขันติเป็นสมถานิมิตเครื่องหมายแห่งความอดทนเครื่องหมายแห่งความสงบประงับเนี่ยนะ เพราะกล่าวถึงการละอุทจจะและโทสะด้วยความเพียรยิ่งจริงอยู่อุทจจะและโทสะละได้ด้วยความอดทนในการเพ่งธรรมคําว่าขันติเนี่ยนะขันติเนี่ยบางธรรมานิชามขันติเนี่ยนะเรียกว่าอดทนในการเพ่งธรทำคนที่ประกอบความเพียรเนี่ยนะประกอบความเพียรแล้วเพ่งพิจารณาด้วยความอดทนเนี่ยนะเพ่งพิจารณาคือหมายความว่าเพ่งตัวนั้นเรียกว่า อภิชาเหมือนกันแต่ว่าเพ่งด้วยด้วยคันติเพ่งด้วยกุศลธรรมการเพ่งด้วยกุศลธรรมเพ่งด้วยความภาคเพียรพยายามละอุทจักละความฟุงรร้งซ่านและละความโกรธได้เพราะคนที่อดทนนั้นจะไม่โกรธเนี่ยจะไม่งหงุดหงิดจะไม่อึดอัดและไม่รําคาญแล้วก็ไม่ได้ทําด้วยความฟุงรร้งซ่านเครื่องวัดอันหนึ่งของคนมีความอดทนกับไม่อดทนดูจากไหนถ้าทําด้วยความฟุงรร้งซ่านแปลว่าไม่มีความอดทน หรือทำด้วยความโกรธก็เรียกว่าไม่มีความอดทนถ้ากโกรธด้วยฟุ้งด้วยถึงจะทำอยู่ก็ไม่เรียกว่าคนอดทนอีกเหตุผลหนึ่งที่แสดงขันติต่อจากวิริยะก็คือเพราะการทำความเพียรติดต่อ กล่าวถึงการทําความเพียรอย่างติดต่อของผู้มีความเพียรจริงอยู่ผู้หนักด้วยขันติเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านสามารถที่จะกระทําความเพียรได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอไม่ใช่กําเริบง่ายกําเริบบ่อยเพราะฉะนั้นคนที่มีความอดทนนั้นสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะไม่ใช่ทําแบบกิ้งกะใช่ไหมคนที่ไม่มีความอดทนนี่นจะทําอะไรแบบกิ้งกา่าทําแบบกิ้งก่าเป็นยังไงทำทำหยุดหยดหยุดหยุดทำทำทำทเลิกเิเลิกเลิทําำเนี่ยนะ อย่างก็เรียนทำมาเรียนเเลิกเลิกเลิกเลิกเรียนเก็แปลว่าอะไรติดติดดับดดับดติดตอะไรค้ายๆแบบนั้นน่ยนะมันก็คล้ายๆแบบนั้นนะเดี๋ยวก็รู้มั่งเดี๋ยวก็บางทีไปสซะลืมหมดเลยนะเสร็จแล้วก็มาเรียนต่อก็ลืมหมดไอ้ที่เรียนที่แล้ว่จ้ำไม่ได้ที่เรียนใหม่ก็ไม่รู้เรื่องไปตนเน่ยนะก็แสดงว่าไม่มีความอดทนมั้นคนที่มีความอดทนสามารถทําอะไรได้อย่างต่อเนื่องระยะทางที่สูดมาใช่ไหม การเวลาที่สูดจิตใจว่าแค่ไหนใช่ต่อไปบอกว่ากล่าวถึงความเป็นผู้ไม่มีตัณหาเพื่อการทำตอบในการปรารบทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยความไม่ประมาทหมายคามว่าอย่างที่ว่าผู้ที่มีความเพียรจริงๆเนี่ยนะเพียรเพื่ออะไรก็เพียรเพื่อทำประโยชน์เพียรเพื่อความสุขแก่สัตว์อื่นด้วยความอดทนผู้ที่อดทนก็คือผู้ที่ไม่มี ตันหาปราศจากตันหาจริงอยู่เมื่อความเพ่งทำตามที่เป็นจริงมีอยู่ตันหาย่อมไม่มีคําบอกว่าที่ไม่มีตันหาเพื่อเพื่อทำตอบในการปรารบประโยชน์เพื่อผู้อื่นของผู้ไม่ประมาทหมายา็ว่าทำทำอะไรให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องการผลตอบแทนไม่ต้องการผลจากความช่วยเหลืออันนั้นก็บอกว่าทําเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เขา เมื่อเขาได้รับประโยชน์เต็มที่ไม่จําเป็นแม้กระทั่งคําว่าขอบคุณเป็นต้นไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแหละเรียกว่าปราศจากตันหาไม่หวังผลโดยประการทั้งปวงทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่เขาเสร็จแล้วก็เสร็จเลยเพราะว่าไม่หวังผลใดๆทั้งนั้นเราไม่มีตันหาเข้าไปฉาบในเรื่องนั้นเลยทําด้วยความสุดจริตใจบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงเนี่ยนะ เพราะเพราะว่าผู้ที่มีความภาคเพียรเพ่งพิจารณาเข้าใจเหตุผลด้วยอนุภาพปัญญาธรรมอย่างถูกต้องเหตุผลอย่างสมบูรณ์ก็ไม่มีตันหาเข้าไปฉาบทาอะไรเหตุผลสุดท้ายที่แสดงขันติต่อจากความเพียรก็เพราะกล่าวถึงความอดกลั้นทุกที่ผู้อื่นทำในการปรารบเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจริงๆอ่ะช่วยเขาแต่เขาก็ทาให้เราเดือดร้อนอ ะ, นะช่วยเขาจนตัวเอง เดือดร้อนพ่านถ้าช่วยเขาแล้วตัวเองเดือดร้อนก็ต้องอดทนนะเพราะว่าความอดทนนี่ถือว่าเป็นความสําคัญมากเลยนะอย่าคิดว่าเราแนะนําคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะขอบคุณเราเสมอไปใช่ไหมพอแนะนําจบก็ด่ากลับยังไงเขามีท่านอันนี้ จ, จะต้องอาจจะต้องอดทนนะนะท่านไอความอดทนเนี่ยทำเพื่อประโยชน์แกสัตว์อื่นแต่ทีนี้ถ้าทํากับสัตว์หลายๆสัตว์ไม่ใช่สัตว์เดียวล่ะอย่างเขาเรียกว่าคิดง่ายๆถ้าพูดแบบพ่อแม่นะ พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยวุ้ยทาทุกอย่างเพื่อลูกแล้วถามวาลูกทําให้พ่อแม่สบายใจตลอดไหมไม่ก็ต้องมีความทุกข์ไอความทุกข์ที่ลูกทําให้เนี่ยอันนี้แหละพ่อแม่ต้องอดทนเป็นความอดทนของพ่อแม่ทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้เปรียบประดุจบิดาของสัตว์โลกบิดาของสัรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อช่วยเหลือสัพพสัตว์แล้วสัรพสัตว์เนี่ยยินดีให้ช่วยเหลือเสมอไหมบอกไม่ท่านก็ช่วยเหลือไปอย่างเช่น มีอยู่ชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลิงเป็นลิงไปกินมะม่วงในสวนของพระราชาทีนี้เขาก็ตัดทางหมดเลยทีนี้พญาลิงเนี่ยนะพญาลิงพระโพธิสัตว์นี่ก็สงสารอยากจะช่วยบริวารให้หนีออกจากตรงนั้นให้ได้ก็เลยผูกเชือกเอาไว้ที่เอวแล้วก็กระโดดจากที่หนึ่งมาที่ที่ต้นมะม่วงทีนี้กระโดดไปเชือกมันสั้นะ่ะ แขนก็ไปเกี่ยวกิ่งมะม่วงได้จริงแต่ว่าตัวเองไม่สามารถที่จะข้ามไปฝั่งโน้นได้นะไม่ไม่สามารถที่จริงจริงก็ตั้งใจจะเอาเชือกมัดจากอีกข้างหนึ่งไปมัดอีกข้างหนึ่งนี้เชือกมันสั้นไปหน่อยเถาวันมันสั้นไปก็เลยตัวเองก็เลยจับตัวเองเนี่ยมันจะได้ยาวพอดีจะได้ให้ให้ลิงเนี่ยช่วยจะได้วิ่งวิ่งข้ามตัวเองนั่นแหละไป ที่มมีลิงอยูตัวหนึง่งลิงกเกวตช่วยแต่ก่อนที่จะจากแนมะ่แกล้งก็ก่อนมนะกระโดดกระทึบนี่ยนะกระโดดกระทืบกระทืบกระทืบกระทึบเกือบจะหลุดแล้วตัวเองก็วิ่งหนีจากไปเนี่ยนะนะนั่นแหละความทุกข์ที่สัตว์อื่นทําให้เนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างอีกเรื่องหนึ่งหมา ah กัปีชาดกเนี่ยนะนะเรื่องลิงเหมือนกันช่วยชาวนาให้ออกจากป่าเนี่ยนะพอช่วยเสร็จแม่ตัวเองเหนื่อยเต็มที่ออบอกช่วยดูแลให้หน่อยนะชาวนาก็บอกว่าลิงก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็เลยเอาก้อนหินทุบหัวเขาเลยเนี่ยนะ เลือดอาบพุ่มเสร็จแล้วก็หนีออกไปชาวนาก็ร้องให้โอ้แล้วใครจะช่วยฉันออกจากป่าร้องให้ใหญ่ลิงก็โอเลือดอาบประชูนําออกไปจากป่าบอกนี่คนเนรคุณเนี่ยทางนี้ไปนะคนอักตันยูนี่ทางออกไปขอให้ไปดีมีศุขกันละกันเน่ยนะยนะลักษณะนั้นท่านจะต้องมีความช่วยเหลือเขาแต่จริงๆจะต้องอดทนอย่างมากเลยนะครับคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยอยากคิดว่าไม่มีความอดทนอดมีความอดทนสูงมาก ถ้าขันติแตกเมื่อไหร่ก็จบเลยนะเลิกเลยนะทีนี้มักดูสัจจะทําไมแสดงสัจจะต่อจากขันติแสดงสัจจะต่อจากขันติก็คือเพราะขันติเนี่ยอดทนอยู่ได้นานก็เพราะว่ามีสัจจะใช่ไหมทนตามที่ตัวเองพูดเอาไว้แม่พูดไว้แล้วไหนๆก็อุตส่าห์พูดไวแล้วก็ทำให้มันเสด็จเธออะไรนะเพราะได้พูดไว้แล้วอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยมีความอดทนทนอยู่ได้ก็เพราะตาม คำพูดพอเสร็จตามที่ตัวเองพูดเมื่อไหร่แล้วนะแม้แต่ก้าวเดียวก็ไม่ยอมหน่อยเดียวก็ไม่เอานะเพราะอะไรเพราะบอกว่าสำเร็จตามที่ตัวเองพูดเพราะนับางคนที่อดทนอยู่ได้เนี่ยก็เพราะคำพูดแท้ๆเลยนะระคำพูดผูกไว้เลยก็เลยทำให้เลิกไม่ได้พั้งก็ที่ทนอยู่ได้นานยาวมากก็ตามอํานุภาพของสัจจะใครที่ตั้งสัจจะไว้นานมันจะทนได้นานตั้งสัจจะหมายความว่าตั้งใจ พูดเอาไวแ้แคบมันก็ทําอดทนแก่ลักษณะแคบแคบถ้าตั้งไว้ยามันก็จะอดทนได้อย่าวพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทนได้เสียสงไข่แสนกับพระพระองค์ตั้งสัจจะไว้ว่าเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยนะตั้งสัจจะว่าเขาทนทนอยู่ได้ก็เพราะสัจจะนี่แหละที่แสดงสัจจะต่อจากคันติก็เพราะกล่าวถึงความอดทนต่อความเสียหายของผู้อื่นของผู้ทําความเสียหายแล้วก็ กล่าวถึงความไม่ผิดพลาดในการทําอุปการะนั้นคือหมายถึงว่าไอ้ไอการที่ไปช่วยเหลือสัตว์อื่นอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าช่วยเหลือสัตว์อื่นแล้วสัตว์อื่นให้แต่รางวัลอย่างเดียวใช่ไหมไม่ถูกด่าเลยใช่ไหมบอกไม่ะนั้นอดทนต่อความเสียหายของผู้ทําความเสียหายเพราะนั้นไอสัตว์ทั้งหลายก็เสียหายตัวเองก็บางอย่างก็เสียหายเพราะการ ช่วยเหลือของผู้อื่นแต่เลิกไหมไม่ไม่ผิดพลาดในการทำอุปการะนั้นเพราะตั้งใจจะทำอุปการะแล้วได้พูดไว้แล้วว่าจะจะทำก็เลยกระทำพรานก็ไม่มีการเอ่ยให้การความช่วยเหลือหมายว่าบางคนเนี่ยพอคนอื่นสร้างความเสียหายก็เลยเลิกราไปเลยอันนี้ไม่ยอมเลิกราเพราะได้กล่าวไว้แล้วว่าจะต้องมีการช่วยอย่างแท้จริงอันนี้ด้วยอานาจของ สัสจจะเนี่ยนะสัสจจะนั้นจึงมีคุณมากต่อขันติอีกเหตุผลหนึ่งที่แสดงสัสจจะต่อจากขันติก็เพราะว่ากล่าวถึงความอดทนในการเพ่งธรรมคือความศูญของสัสตว์แล้วกล่าวถึงสัสจจะอันเป็นญาณเพิ่มพูนขันตินั้นอีกในสำนวนหนึ่งก็บอกว่าเห็นความว่างเปล่าจากสัตว์คือตัวธรรมนิชานขันติญาณเนี่ยนะ คำว่าขันตินี่บางบางนัยยะนี่แปลว่าปัญญานะไม่ได้แปลว่าทนอดอดทนอย่างเดียวนะแต่หมายถึงปัญญาแปลว่าปัญญาคำว่าอดทนในการเพ่งธรรมอนี้คือเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่เพ่งความว่างของสัตว์ทั้งหลายว่างจากสัตว์คำว่าว่างเนี่ยก็คือว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนและอัตตาพอพิจารณาเห็นแต่ว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนและว่างจากอัตตาแล้วทาไงต่อไป อ้าวก็มันไม่มีอะไรมันมีแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตก็เลยทําไงแล้วก็เพิ่มพูนญาณสัจจะสัจจะอันเป็นญาณก็คือเพิ่มพูนญาณสัจจะนั่นเองคือยิ่งเห็นความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของทุกขสัจจะทั้งหลายคือทุกขสัจเนี่ยนะทุกขสัจเมื่อใดก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตก็แสดงว่าว่างจากสัตว์จากบุคคลเป็นต้นเมื่อเห็นทุกขเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะเพิ่มพูนมรรคสัจต่อไปไหม เพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิต่อไปไหมนั่นแหละพันเพิ่มพูนญาณสัจจะก็คือสัมมาทิฏฐิเพิ่มพูนปัญญานะพันคำว่าสัจจะนี้หมายถึงปัญญาก็ได้ไม่ได้แปลว่าเฉพาะคาพูดเพราะสัจจะมีหลายอย่างเลยเช่นวจีสัจจะทิฏฐิสัจจะญาณสัจจะปรมัทธสัจจะเป็นต้นเนี่ยคำว่าสัจจะมีหลายอย่างตรงนี้หมายความว่า อดทนก็เหมือนกันอดทนก็เป็นชื่อของปัญญาะนั้นเมื่อปัญญาเพ่งถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของสัพทัสังขารทั้งหลายก็เพิ่มพูนคุณภาพของปัญญาอันนั้นเข้าไปอีกเพิ่มปริมาณแห่งปัญญาเช่นว่าเหมือนอย่างว่านะมีไฟดวงหนึ่งมาส่องสว่างในห้องเป็นดวงเล็กๆเกรีดใช่ไหมแล้วถามโอ้มองเห็นเลยทํำยังไงเพิ่มพูนไอความสว่างอันนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไป ไอตัวขันติตัวแรกเนี่ยนะปัญญาที่เป็นขันติก็เหมือนกับไฟที่ส่องสว่างแต่สว่างไม่มากเพิ่มปริมาณของความสว่างอันนั้นแหละเป็นลักษณะของการเพิ่มยาณสัจจะให้กว้างขวางให้สว่างสวัยไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นขันติตอนแรกอาจจะสว่างเท่ากับแสงสว่างแห่งไฟฉายสปอร์ตไลท์เล็กๆเพิ่มพูนความสว่างนั้นให้มันสว่างเท่ากับอะไรดีให้ก็เท่ากับดวงอาทิตย์เนี่ยนะสว่างสวัยอันนั้นแหละอนุภาพของญาณสัจจะ